จดหมายที่ใต้เตียงอย่าอ่านนะเหื่อคนเขียนเขาไม่อยากให้ใครอ่านสัมผัสสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่พลอยเรียนจบมสาหลังจากนั้นพลอยกับเพื่อนๆนก็ไปสมัครเรียนวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมือง ทอยกับเพื่อนทั้งสี่คนสอบติดคณะเดียวกันสาขาเดียวกันแต่อยู่คนละห้องด้วยความที่เป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้หญิงทางครอบครัวพวกเราจึงให้พักอยู่ที่เดียวกันทั้งสี่คนโดยเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มบอกจะพาไปหอพักที่มีพี่แถวบ้านมาแนะนำมาว่าราคาถูกเจ้าของหอใจดีห้องกว้างสามารถอยู่สี่คนได้สบายสบาย แล้วก็อยู่บริเวณสนามกีฬากลางของจังหวัดอยู่ใกล้แหล่งของกินด้วยเมื่อถึงหอพักก็พบว่าเป็นหอพักแบบหอรวมชายหญิงเป็นตึกสามชั้นมีชั้นละหกห้องสภาพหอพักนั้นก็ดูเก่าแก่พอสมควรเจ้าของหอเป็นคุณตาคุณยายแก่ๆวัยเกษียณซึ่งดูท่าทางแล้วน่าจะใจดีพอไปถึงที่พวกเราก็เช่าห้องเดียว และอยู่กัน4ี่คนคุณตาก็ตกใจนิดหน่อยแล้วก็พาไปดูห้องก่อนว่าจะอยู่กันได้ไหมถ้าอยู่กันได้คุณตาก็ไม่ขัดอะไรพวกเราเดินดูกันหลายห้องเพราะแต่และชั้นจะมีห้องว่างอยู่ 2- อสห้องเลยลงความเห็นว่าจะอยู่ชั้นล่างจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงบันไดกันราคาค่าหอพักนั้นเดือนละหน0่บาท ไม่รวมค่าน้าค่าไฟซึ่งก็ถูกกว่าทุกที่ที่พวกเราไปดูมาถึงสภาพจะเก่าไปหน่อยแต่ก็พออยู่ได้เดินออกมาจากซอยไม่ไกลนักก็ถึงจุดขึ้นรถโดยสารซึ่งก็น่าจะสะดวกเวลาไปเรียนพวกเราจึงตกลงกันว่าจะพักอยู่ที่นี่โดยวางเงินมัดจำไว้เรียบร้อยอาทิตย์ถัดไปจึงจะขนของเข้ามาอยู่ด้วยความที่จานวนคนเยอะ ของก็เยอะตามไปด้วยและด้วยความที่เป็นผู้หญิงอีเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีแค่เสื้อผ้ากระเป๋าเดียวหรือเสื้อผืนหมอนใบวันที่ขนของแม่พลอยก็ขับรถกระบะมาส่งโดยมีเพื่อนอีกคนอาศัยรถแม่พลอยขนของมาพร้อมกันส่วนเพื่อนอีกสองคนจะมาวันถัดไปพอพวกเรามาถึงก็ทำการปัดกวาดเช็ดถู พลอยก็บอกให้แม่กลับบ้านไปก่อนเพราะกลัวจะถึงบ้านมืดคำ่ำขับรถคนเดียวอันตรายพลอยหยิบยืมอุปกรณ์ทำความสะอาดจากคุณตาคุณตาเจ้าของหอก็ใจดีมากเอาผูกขนาดสามฟุตมาให้ถึงสี่อันถ้าวางผูกเสร็จก็จะเหลือพื้นที่ให้วางของอื่นอ่นอีกนิดหน่อยพลอยกับเพื่อนก็วางของเอาไว้หน้าห้องก่อนเนื่องจากห้องพลอยอยู่ด้านในสุด และห้องตรงข้ามก็เป็นห้องวางเลยวางกองๆเอาไว้ก่อนภายในห้องจะมีเตียงเหล็กเก่าๆขนาด3ฟุตสองอันวางอยู่พร้อมฟูกขนาดใหญ่วางเต็มเตียงทั้งสองอันพวกเราเลยคิดว่าจะเอาเตียงออกก่อนจะได้เอาฟูกเล็กวางกับพื้นได้แต่ใจก็คิดว่ารอเพื่อนมาครบก่อนจะดีกว่าค่อยว่ากัน แล้วพลอยกับเพื่อนก็ทำความสะอาดบริเวณห้องขนของเข้ามาแล้วนอนเตียงนั้นไปก่อนคืนนั้นพลอยนอนกันสองคนพวกเรานอนไม่หลับเลยอาจจะเป็นเพราะต่างที่วันถัดมาเพื่อนอีกสองคนก็มาถึงพวกเราจึงช่วยกันยกพวกใหญ่นั่นออกทันทีที่ยกออกพลอยก็เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งจึงหยิบขึ้นมาดู พอ เ, เปิดออกมาฝุ่นก็คลุ้งกระจายพลอยก็เริ่มอ่านถึงที่รักแล้วเพื่อนพลอยคนหนึ่งที่ชื่อบัวก็กระชากจดหมายนั้นออกจากมือพลอยทันทีแล้วก็บอกว่าอย่าอ่านนะของใครก็ไม่รู้เผื่อคนเขียนเขาไม่อยากให้ใครอ่านเพื่อนอีกคนก็เชียร์บอกว่าอ่านเลยถ้าเขาไม่อยากให้อ่านเขาคงเอาไปทิ้งแล้วแต่บัวก็บอกว่า ตายายเคยเล่าให้ฟังว่ามันไม่ดีส่วนเพื่อนอีกคนที่ชื่อน้ํานิสัยไม่ค่คยพูดแต่ถ้าพูดเมื่อไหร่แล้วปากจะไม่ค่อยดีน้ํามันก็เสริมอีกว่าเผื่อคนเขียนเขาตายไปแล้วเขารู้ว่าพลอยมาแอบอ่านเขาจะมาหักคอเอานะพรอยกับเมก็เลยหันมามองหน้ากันแล้วก้าวจดหมายไปทิ้งถังขยะจากนั้นพวกเราก็จัดห้องกันต่อ ระหว่างนั้นบัวก็เล่าเรื่องผีวิญญาณเรื่องโบราณต่างๆที่ยายเล่ามาให้พวกเราฟังพอตกเย็นพลอยกับเมย์ก็เอาขยะมาทิ้งและพบว่าจดหมายนั้นล่นออกมาอยู่นอกถังขยะพลอยก็หยิบขึ้นมาแล้วพูดกับเมยว่าเป็นจดหมายนั่นนี่นาเมย์ก็บอกว่าอ่านสิแต่พลอยก็ลังเล จึงหย่อนจดหมายลงไปในถังขยะเหมือนเดิมแล้วเมก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาเปิดอ่านหน้าตาเฉยพลอยก็อ่านด้วยเพราะตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรปกติพลอยก็เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแต่ในห้องอยู่กันตั้งสี่คนคงไม่ต้องกลัวอะไรพอเมอ่านไปได้บรรทัดหนึ่งก็ยื่นให้พลอยอ่านต่อเพราะเมอ่านหนังสือช้า จดหมายนั้นมีความยาวประมาณหนึ่งหน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยตัวบรรจงลายมือสวยงามเลยทีเดียวจดหมายนี้ผู้หญิงเป็นคนเขียนโดยเธอนั้นเขียนถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นแฟนของเธอและคิดว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นผู้ที่เช่าห้องก่อนหน้าพลอยข้อความก็เป็นการพมพนนาถึงความรักความคิดถึงที่เธอคนนั้นมีต่อผู้ชายคนนี้ แต่ใจความหลักคือการตัดพอ้อว่าไม่สามารถครบกันได้ต่อไปด้วยความห่างไกลด้วยอุปสรรคที่มากมายจึงขอยุดติความสัมพันธ์ไวเพียงเท่านี้แต่เธอจะขอรักผู้ชายคนนี้ตลอดไปจะคอยห่วงใยอยู่เสมอซึ่งข้อความก็จะเป็นอะไรประมาณนี้จดหมายนั้นค่อนข้างยาวเพร้อยังงานแบบผ่านๆแล้วบอกมีว่า เรื่องผัวเมียน่ะอย่าไปสนใจเลยแล้วพลอยก็ทิ้งจดหมายนั้นไปวันถัดมาเป็นวันเปิดเรียนพวกเราก็ไปเรียนกันตามปกติวันแรกไม่มีอะไรมากแต่พวกเราอยู่คนละห้องใครเลิกเรียนก่อนก็มารอเพื่อขึ้นรถกลับหอพักด้วยกันระหว่างรอรถก็ซื้อลูกชิ้นมากินบนรถกันด้วยพอถึงหอพัก พอยก็เดินเอาถุงลูกชิ้นไปทิ้งถังขยะแต่จังหวะที่ย่อนถุงลูกชิ้นลงไปนั้นเหมือนมีอะไรเย็นๆมาโดนที่มือพลอยจนทำให้พลอยนั้นขนลุกพอยจึงหันไปมองก็พบว่าขยะเต็มถังจนล้นออกมาเลยคิดว่ามือน่าจะไปโดนถุงพลาสติกก็เลยไม่ได้คิดอะไรคืนนั้นบัวอาบน้ำคนแรกบัวบอกว่ารู้สึกแปลกๆ เหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเลยพาให้เพื่อนๆคนอื่นกลัวไปด้วยเพราะถึงตาพลอยเข้าไปอ่านก็รู้สึกเหมือนกันมันรู้สึกแปลกๆ แ, แต่ก็พยายามคิดว่าเพื่อนอยู่กันเต็มห้องจะไปกลัวทำไมคืนนั้นพวกเราก็นอนกันน้ำจะนอนติดประตูถัดมาก็เป็นบัวและพลอยส่วนเมนอนติดประตูหลังห้องโดยข้างประตู จะมีหน้าต่างบานเกรดอยู่บานหนึ่งเมนอนไปได้สักพักก็บอกว่ารู้สึกแปลกๆกับหน้าต่างรู้สึกไม่โอเคขอย้ายที่นอนได้ไหมหรือไม่ก็หาอะไรมาบังบังหน่อยเพราะตอนนั้นพวกเรายังไม่ได้ซื้อม่านกันหน้าต่างจึงเป็นหน้าต่างใสๆมองทะลุ ถ, ถึงหลังห้องที่เป็นป่าได้เลยแต่หลังห้องก็มิดชิดมีเหล็กดัดแน่นหนาะ แต่ยังไงก็มองเห็นป่าอยู่ดีพวกเราจึงช่วยกันเอาผ้าเช็ดตัวมาแขวนไว้ปิดหน้าต่างจนมิดพร้อมกับเปิดไฟหลังห้องไว้ด้วยเพื่อความสบายใจของเมย์คืนถัดมาเมย์ไม่ได้เปิดไฟหลังห้องไว้พลอยก็ถามว่าไม่เปิดหรอเมย์ก็ตอบว่าไม่ดีกว่าเปลืองไฟบัวจึงพูดขึ้นมาว่าเมย์เห็นใช่ไหม เห็นเหมือนเราใช่ไหมเมก็ทำหน้านิ่งๆสิสีแล้วก็พยักหน้าพรอยกับน้ำก็มองหน้ากันพอพรอยก็ไม่เห็นอะไรแน่นอนละ่ะก็พรอยชอบนอนคลุมโปงเพียงแต่มีความรู้สึกว่ามีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาคืนนั้นพรอยเลยเสนอว่าเปิดทีวีทิ้งไว้ไหมเพื่อนก็เห็นดีงามด้วย รุ่งเชา้าระหว่างนั่งรถไปเรียนพวกเราก็คุยกันถึงเรื่องที่เพื่อนเจอเมย์กับบัวก็บอกว่าเห็นเหมือนเงาผู้ชายยืนอยู่หลังห้องในคืนที่เปิดไฟหลังห้องไว้ก็เลยไม่อยากให้เปิดจะได้ไม่เห็นส่วนความรู้สึกแปลกๆทุกคนรู้สึกเหมือนกันหมดแต่เมื่อคืนที่เปิดทีวีไว้นั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่มีใคร กล้ามุดหัวออกจากผ้าหม่มหลังจากนั้นพวกเราก็ซื้อม่านมาติดแต่ก็ยังเอาผ้าคนหนูมาแขวนทับไว้อีกชั้นหนึ่งมุมนั้นก็เลยกลายเป็นมุมตากผ้าคนหนูไปโดยประยายทุกครั้งที่ซักผ้าตอนคำๆพรอยก็รู้สึกแปลกๆอยู่ตลอดแต่ก็อดทนพยายามคิดว่าไม่มีอะไรหรอกพวกเราอยู่กันตั้งหลายคน หลังจากเทอมแรกผ่านไปปกติพวกเราจะกลับบ้านกันวันศุกร์จะนั่งรถโดยสารกลับพร้อมกันและพ่อแม่ก็จะมารอรับที่ตลาดวันอาทิตย์บ่ายๆก็จะเข้าเมืองมาพร้อมกันพอมาถึงเทอมที่สองก็เริ่มเรียนหนักขึ้นมีบางคาบเรียนที่เลิกหนึ่งทุ่มด้วยความที่เรียนอยู่คนละห้องการจะมาเรียนพร้อมกันหรือกลับพร้อมกันก็เป็นไปได้ยากเพราะบางที พลอยก็มีเรียนช่วงบ่ายเลิกทุ่มที่วิทยาลัยนั้นจะแบ่งเป็นเรียนเช้ากับบ่ายเช่นเทอมนี้ห้องนี้อาจได้เรียนเช้าส่วนอีกห้องหนึ่งก็จะได้เรียนบ่ายอะไรแบบนี้เทอมสองพลอยกับบัวเรียนบ่ายเลิกหนึ่งทุ่มคนไหนเรียนเลิกก่อนก็จะมานั่งรอการเดินเข้าซอยดึกๆสองคนก็ดูน่าครัวอยู่เหมือนกัน จนมาถึงวันหนึ่งวันนั้นบัวไปถึงห้องเรียนแล้วแต่อาจารย์ยกเลิกการสอนก็เลยไม่มีเรียนครั้นจะให้เพื่อนมานั่งรอพลอยหลายๆชั่วโมงก็ใช่เรื่องพรอยเลยให้บัวกลับห้องไปก่อนพอเลิกเรียนหอยก็นั่งรถกลับวันนั้นมีฝนตกปล่อยๆมานิดๆแล้วบนรถนั้นก็ไม่มีใครเลย แต่พลอยกลับรู้สึกแปลกๆเพราะถึงปากซอยพลอยก็ลงรถแล้วรีบเดินเข้าซอยเพราะกลัวฝนจะตกหนักกว่านี้และก็กลัวผีด้วยระหว่างที่เดินอยู่นั้นพลอยก็รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้เดินอยู่คนเดียวพลอยหันกลับไปมองก็เห็นเงาผู้ชายเดินอยู่ไกลๆจึงรีบวิ่งเข้าไปในหอพักตอนนั้นฝนก็ตกแลว้ว พลอยจึงมาถึงห้องในสภาพเปียกโชกเพื่อนก็เตรียมแกะถุงกับข้าวรอเพราะรอพลอยอยู่คนเดียวพลอยจึงรีบอาบน้ำมานั่งกินข้าวกันแล้วเพื่อนมันก็ถามว่าเมื่อกี้ตอนพลอยวิ่งเข้ามาทำไมดูหน้าซีดมาเหมือนตกใจอะไรเห็นอะไรเหรอพลอยก็บอกว่าเห็นผู้ชายเดินตามหลังอยู่แต่ตอนนั้นก็คิดว่าเป็นคนนั้นแหละ เขาอาจจะเดินเข้าซอยมหอพักเหมือนกันเพราะในซอยก็มีหอพักอยู่สองสามแห่งเพราะตกดึกขณะที่พวกเราหลับกันอยู่ซึ่งก็เปิดทีวีเอาไว้ตามปกติอยู่ๆสัญญาณทีวีก็หายไปมีแต่หน้าจอเป็นเม็ดๆขาวดำและมีเสียงซาพรอยนอนไม่หลับอยู่แล้วจึงหันไปมองเพื่อนก็พบว่าเม ก, ก็ยังไม่หลับเหมือนกัน เมลุกขึ้นไปเปิดไฟพร้อมกับบ่นว่าเซง็งเพราะกำลังดูละครสนุกๆอยู่เลยเพื่อนๆจึงตื่นกันหมดด้วยความที่พลอยแมนที่สุดในกลุ่มจึงทำการตรวจ ด, ดูทีวีว่าเป็นอะไรพ้อยก็ถอดปักแล้วก็ดูอะไรไปเรื่อยเช็คสายเคยเบิลว่าหลุดหรือเปล่าสักพักก็มีเสียงมาจากประตูหลังห้องบัว ซึ่งตอนนั้นน่าจะอยู่ใกล้ประตูนั้นที่สุดก็ถึงกับกรีดรันแล้วก็กระโดดมากลางวงพวกเราอึ้งกันไปหลายนาทีแล้วพลอยก็รวบรวมความกล้าไปเปิดประตูดูแต่ก็ไม่มีอะไรส่วนน้ำที่ปากไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วก็ทักขึ้นมาว่าเปิดทำไมเดี๋ยวผีก็เข้ามาในห้องหรอกมันทำให้บัวออกอาการไม่พอใจอย่างมาก ซึ่งพลอยก็คิดเหมือนกันว่าจะพูดทำไมแค่นี้ก็กลัวกันจะตายอยู่แล้วพลอยชักสีหน้าใส่น้ำนิดหนึ่งแล้วกลับมาลองเสียบปลั๊กทีวีแล้วเปิดดูก็ปรากฏว่าทีวีก็ติดตามเดิมมันน่าจะเกิดจากสายเคเบิลหลวมแล้วพวกเราก็ปิดไฟนอนกันคืนนั้นพลอยรู้สึกกระดอัดมากนอนไม่ค่อยหลับเลยกว่าจะหลับได้ก็ดึกแล้ว พอหลับไปพลอยก็ฝันเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาถามพลอยว่ารู้จักกับผู้หญิงที่เขียนจดหมายนั่นไหมพลอยก็ถามว่าจดหมายไหนเพราะมันก็ผ่านมานานหลายเดือนแล้วพลอยจำไม่ได้เขาก็บอกว่าพลอยเป็นคนนานแล้วก็ถามย้ำๆยว่ารู้จักผู้หญิงที่เขียนจดหมายไหมบ้านเขาอยู่ไหนพลอยก็นึกถึงจดหมายลึกลับนั้นขึ้นมาทันที แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรผู้ชายคนนั้นก็เอาแต่ถามซ้ำๆคำเดิมพร้อมกับร้องไห้จนพลอยสะดุ้งตื่นก็พบว่าใกล้เวลาตื่นไปเรียนแล้วจึงลุกไปอาบน้ำพลอยไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังเพราะเดี๋ยวจะกลัวกันตลอดเวลาระหว่างที่พวกเราอยู่นั้นก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเพื่อนเห็นเงาหลังห้องบ้าง รู้สึกแปลกๆอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่ได้รบกวนอะไรพวกเรามากวันหนึ่งพลอยเลิกเรียนหลังเพื่อนและกำลังจะเดินเข้าซอยพลอยก็เจอพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่พักอยู่ชั้นเดียวกันแกกำลังซื้อของอยู่หน้าปากซอยพอแกเห็นพลอยก็ทักทายแล้วแกก็บอกกับพลอยว่าเดี๋ยวเดินไปพร้อมกันเพราะเห็นว่ามืดแล้วพลอยจึงเปิดประเด็นขึ้นมาทันที พ้อยถามว่าพี่อยู่ที่นี่มานานไว้ยังพี่เขาก็บอกว่านานแล้วแล้วก่อนหน้าที่พวกหนูจะมาอยู่มีใครพักที่ห้องนั้นไหมพี่ธงก็เล่าว่าห้องนั้นส่วนมากไม่ค่อยมีใครมาพักอยู่นานๆมาอยู่เป็นครั้งคราวแล้วก็ออกไปแต่ผีเนี่ยพี่ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยเห็นมีใครมาเล่าว่าเจออะไรเลยพี่แกก็เลยถามกลับพอยว่า พลอยเจออะไรหรือเปล่าพลอยก็นิ่งเงียบไปพี่ธงจึงเล่าต่อว่าล่าสุดคนที่มาพักเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาทำงานอะไรพี่ธงก็ไม่รู้แต่เห็นเข้าๆออกๆร้านวัสดุ ก, ก่อสร้างใกล้กลนี้น่าจะทำงานทั่วไปอยู่ที่ร้านนี้และพี่ธงก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเขาน้อยมากเพราะบางทีแกก็ไม่ได้กลับมานอนที่ห้อง ด้วยเห็นว่าเป็นหนุ่มโสดเหมือนกันอยู่ชั้นเดียวกันพี่ทงเลยลองชวนเขาไปกินเหล้าด้วยกันจากที่ได้คุยกันเขาบอกว่าชีวิตมีปัญหาเขามีลูกเมียแล้วแต่อยู่ต่างจังหวัดด้วยภาระหนี้สินจึงต้องมาทำงานไกลบ้านนานๆทีจะได้กลับบ้านพี่ทงเลยถามเขาไปว่านานๆทีกลับบ้านแบบนี้แล้วเหงาไ้ย เขาก็ยิ้มเป็นในๆแล้วส่หัวพี่ธงก็เลยแกล้งแซวว่ามีสาวอยู่แถวนี้ละสิถึงไม่เหงาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่มีอะไรหรอกวันนั้นพี่ธงจำได้ว่าระหว่างที่เดินกลับห้องอยู่นั้นก็คุยกันเรื่อยเปื่อยจนมาถึงห้องพอมองเข้าไปในห้องของเขาก็แทบไม่มีอะไรเลย แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะงานที่พิ่ธงทำนั้นต้องเดินทางบ่อยๆพิธงเห็นผิดสังเกตจึงไปถามคุณตาเจ้าของหอคุณตาก็บอกว่าน่าจะออกไปนานแล้วเพราะเดือนที่แล้วไม่มาจ่ายค่าหอคุณตาก็เลยตัดน้ำตัดไฟแต่แกก็ยังไม่มาจ่ายพอคุณตาเข้าไปดูก็เห็นในห้องมีของอยู่ไม่กี่ชิ้นจึงคิดว่าออกไปแล้ว ตอนนั้นพี่ธงมีคำถามในใจนิดหนึ่งว่าจะไปก็ไปแบบนี้เลยเหรอน่าจะล่ำลากันหน่อยสงสัยจะหนีหนี่แล้วพี่ธงก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็มักจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ในห้องตลอดเวลาผ่านมาหนึ่งเดือนพวกเราก็เข้ามาอยู่พลอยจึงถามว่าพี่เขาตัวล่ำล่ำหน่อยใช่ไหมค่อนข้างออกไปทางอวบอวบ ตัดผมสั้นคล้ายทรงลากใส่แล้วก็สูงเท่าๆกับพี่ธงใช่ไหมตอนนั้นพี่ธงอึง้งแลงเงียบในใจคงคิดว่าพลอยรู้ได้ยังไงแล้วพลอยก็ประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดและคาดเดาได้ว่าที่พี่เขาไม่ได้กลับมาที่ห้องนั้นอาจจะเป็นเพราะพี่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วและจดหมายนั้นอาจจะเป็นจดหมายที่มาจากผู้หญิงที่เขาติดพัน พอพี่เขาเสียแล้วแต่ยังอาลาลอาวรผู้หญิงคนนั้นหรืออาจไม่รู้จะไปไหนก็เลยมาวนเวียนอยู่ที่ห้องเดิมคืนนั้นพลอยจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังพร้อมลงความเห็นกันว่าวันเสาร์จะไปวัดแถวบ้านแล้วคืนนั้นพลอยกับเมย์ก็เห็นเงาหลังห้องอีกเหมือนพี่เขามายืนรอคำตอบจากพวกเราว่ารู้จักผู้หญิงคนนั้นไหม พลอยจึงตะโกนออกไปว่าหนูไม่รู้จักหรอกคะ่ะและเพื่อนๆหนูก็ไม่มีใครรู้จักสักคนเดี๋ยววันเสาร์จะทำบุญไปให้นะคะเพราะถึงวันเสาร์พวกเราก็ไปทำบุญกันแบบชุดใหญ่ถวายสังฆทานอาบน้ำมนต์เพื่อความสบายใจแล้วหลวงพ่อก็ให้ผ้ายันมาผืนหนึ่งให้พวกเราไปแปะประตูหลังห้องหลังจากนั้นพวกเรา ก็ไม่เจอเงาหลังห้องอีกเลยไม่นานพี่ธงก็มีข่าวมาเล่าว่าพี่คนนั้นเขามีเมียน้อยซึ่งพี่ธงได้ไปสอบถามมาจากคนที่ร้านวัสดุ ก, ก่อสร้างที่พี่เขาทำงานอยู่หลังจากที่เมียน้อยแก่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดได้ไม่นานก็ถูกรถชนตายวันนั้นเขาจึงรีบร้อนขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่ง แล้วประสบอุบัติเหตุตายคาที่จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่แกยังมีห่วงไม่ยอมไปไหนสัมผัสสยอง